ของในวันการเตรียมกรรมฐานสำหรับวันนี้จะขอนำมิปัญนายานข้อที่สอง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 เรืการนิยาโยมไปฟังก็าบอพิจารณาเกิดดับเกิดดับคุณทราบคําว่าเกิดดับเกิดดับที่ก็ใช้กันนั้นเป็นกรรมฐานเป็นวิปัสสนาญาณข้อแรกข้อตนในข้อที่สองทางการวปัสสนาญาณ <c oughs> แปลว่าพิจารณาความดับโดยเฉพาะใ <c oughs> นก่อนที่จะพิจารณาบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ต้องทิ้งส ม, มถาภาวนาไม่ได้แล้วก็บราการที่สอง อย่าลืมศีลหนึ่งศีลต้องบริสุทธิ์ถ้าเวลากลางวันถราจะภาวนาและพิจารณาไรก็ตามก็เป็นเรื่องขอาญาติโยงพทะบริษัทท์ทำไปพลางๆก่อนเรี่กักันว่างคุ้มรมถ้าถือเวลาตอนกลางคืนจริจะเจริญกรรมฐานจริงจังตอนนั้นก็เผื่อเหนียวไว้ก่อนให้สมาทานศีลแค่ก่อนเผื่อว่าเราจะมีการบกพร่องเรื่องศีล ถึงแม้ว่าไม่มีการบกพร่องเรืองสินก็ถือว่าเคารพแตงผู้เจ้าตั้งใจสมาทานศินห้าถ้าอยู่ที่บ้านเมื่อสมาทานสินก็ตั้งใจสมาทานสินด้วยความเคารพคิดว่าคิดว่าสิขาบทห้าแบบการและแปดแปดการนี้เราจะตั้งใจเคารพนี่ตั้งใจเคารพอย่าจริงจังหมายความว่าจะไม่ยอมให้เคลื่อนไปจากจิต อันนี้อัศจรรย์นะไมโครโฟนโดดมัาอาจจะมีหกก็ได้นะ <c oughs> วิปัฒนายานเป็นหวยไ้แล้วจะลืมว่าอันดับแรกสมาทานสินก่อนเมื่อสมาทานสินตั้งใจสมาทานสินวยความเคารพก่อนจะพูดทังทีคำประของสีน เราก็ว่านโมตัสสะก็วาโตราโตสัมมาสัพพุตสัตว์เพื่อแปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมในรั้วราชการสมเด็จพระผู้ทธมีพระพ่าเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์องค์นั้นต่อมาก็พุทธทางสันนังกระชามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมมังสันนังกระชามิขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังขังสันนังกระชามิขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง ที่เวลาว่าทั้งว่าด้วยความเต็มใจแล้วก็มีความเคารพด้วยความจริงใจถ้าเคารพด้วยความจริงใจจริ ง, รงๆก็ถือว่าท่านสามารถตัดสัญญาณข้ อ, ขอที่สองได้ที่มาถึงตอนศินไม่ว่าปาณาติปาตาเวีไปจนทั้งสุราตอนนี้ถ้าว่าจะวยกตั้งใจเคารพหรือว่าสามารถส่งสินห้าได้ครบก็ถือว่าท่านตัดสัญญาณข้อที่สมได้ เมื่อัดสัญญาข้อที่สองแลข้อที่สามได้ก็พร้อมก็จีคิดว่าชีวิตมันต้องตายพระมรรมาโสมสารรายการนี้ได้เมลัก็ถือว่าท่านเป็นมระโสดาบันเรืเอาเพิงว่าถ้าเรายังไม่เป็นมระโสดาบันก็หนึ่งมีความครบพุทธเจ้าจริงพระธรรมจริงพระอริยสงฆ์จริงเวลานั้นมีความครบในศีลจริงแล้วต่อไปก็เริ่มทํำสมาธิ สมาธิที่เริ่มคือพิจาราลืมไม่ได้ก็คืออนาปานุสติแต่ว่าก่อนที่จะภาวนาและพิจารณาลมให้ใจเข้าออกก็อย่าลืมชื่อของนิวรณ์นิวรณ์ห้าอย่างคําว่านิวรณ์ที่พระพุทธเจ้าแปลว่ากิเลสหยาบที่ทำบัญญญาให้ถอยหลังมันมีห้าอย่างคือหนึ่งกามาฉันทะพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระว่างเพศ 2ความโกรธความเจ็บบาท3ความง่วง4จิตฟุ้งซ่านเกินไป5้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งหมดนี้ในช่วงเวลาที่เราจเจริญกรรมฐานจงยาให้เข้ามากวนใจมันอาจจะมีบ้างบางทีเผลอไปมันมีบ้างแล้วก็ถอนตัวเสียจับตรมจัากระ้ายเขาออกใหม่ความจริงนี่วอนนี่เราตัดมันไม่ขาดจงกว่าจะถึงอนาคามี ถ้าถึงพระนาคา ม, มีเ็าตัดได้แค่สองข้อกลัวความว่าเวลานั้นเราไม่สนใจกันิวรนคือสนใ จ, จเฉพาะลมให้ใจเข้าออกกับคำภาวนาเมื่อกนดรู้ลมให้ใจเขาออ ก, กคำภานาพอสบายสบายพอจิตเป็นสุขต้องดูว่าจิตเป็นสุขหรือยังนะถ้าจิตเริ่มเป็นสุขอย่าเคร่งเครียดในสมาธิเกินไปทำแค่จิตสบาย พออารมณ์สบายปัญญามันก็เริ่มเกิดแล้วก็มาจับวิปัสนาญาณตัวแรกก่อนอุทยพยานุปัสนาญาณนี่ใช่ไหงแทนใจนึกจาชื่อไม่ได้พิจารณาความเกิดและความดับภาษาวลีไปตั้งจําข้อที่หนึ่งพิจารณาถึงความเกิดและความดับให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลก มีความเก him, him żenie, we left, ิดข um ึ้นเป็นเบื้องต้นได้มีความดับเป็นที่สุดเหมือนกันหมดเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องตายสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วสัตว์ก็ต้องตายต้นไม้เกิดขึ้นมาแล้วต้นไม้ก็ต้องตายภูเขาเกิดขึ้นมาแล้วไมใช่ความความหินก็ผุไปเขาเขาก็พังเทวดาเมื่อเธอได้ก็ดีนางฟ้าก็ดีท่าเกิดขึ้นแล้วท่านก็ต้องจดติ ผมก็ไม่การเกิดเป็นผมแล้วก็ต้องจูกติเมาหมดบุญ <c oughs> รวมความมาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกคือมนุษย์สรรคโลกเทวาโลกธรรมโลกไม่มีอะไรทรงตัวมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นและมีความดับไปที่สุดเหมือนกันในเมื่อไม่มีการทรงตัวอย่างนี้วิทยา ญ, ญาณต้องหันไปหาเรียสัตว์นะอย่าลืมว่าพระเจ้าเทศทุ ก, กันลงท้ายด้วยริยสัตว์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 อันนี้ในเมื่อเราต้องกินเราต้องใช้การประกอบกิกการงานเพราะใดมาจนทรัพย์ถิงมีการเหนื่อยยากก็แปลกัเป็นาาความทุกข์ทั้งหมดนี่เป็นความทุกข์ในอริยสัจล้วต่อมาก็ความพัดพลาจากของรักของชอบใจอันนี้ต้องมีกับคนที่เกิดมาอย่างบิดามารดาท่านเป็นผู้มีคนใหญ่ <c oughs> เราจะมีชีวิตขึ้นมาได้เพราะอาศัยท่าน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 รวมความวาเมื่อเกิดแล้วยังไม่ธัญดับแล้วก็พบกับความทุกข์อย่างนี้ถ้าต่อไปในที่สุดเราก็ต้องตายเหมือนกันถ้าเราไปเป็นเทวดาหรือพรหมไม่เป็นนางฟ้าหรือพรหมเราก็พบกับความดับอีกแล้วก็ต้องหันมาดูว่าการเกิดเป็นคนก็เต็มไปด้วยความทุกข์เป็นเทวดาหรือพรหมมีความสุขจริงแหละแต่แต่ว่า ไม่มีการทรงตัวมีความดับในที่สุดเมื่อดับจากความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือพรหมก็ต้องกลับมาเกิดเป็นคนบ้างและส่วนใหญ่ลงอบายภูมิไฝเมื่อก็เป็นทุกข์ถ้าเราต้องการมีความสุขก็คือต้องการถึงพระนิพพานอนการเข้าถึงพระนิพพานไปทางไหนก็ต้องใช้ปัญญาเรื่องเครื่องำํำระล้างกิเลสกิเลสแล้วความเศร้าหมองของจิต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 หันไปดูเทวดาและผมถ้าเกิดก็ดับเหมือนกันในเมื่อความเกิดและความดับมันมีอย่างนี้แล้วก็ต้องหาโมฆะธรรมคือธรรมเป็นเครื่องพ้นตัวอย่างพระโมคคัลลากรรมสาทิ่บทที่ผ่านมามาคืนนี้สําหรับวันนี้ก็ขอพูดชื่อตาญาตตัวที่สองนะั่เริ่มต้นนะเริ่มต้นเดี๋ยปัญญายังไม่ดีนักพระพุทธเจ้าพิจารณาความเกิดและความดับ ต่อมาข้อที่สองคือปรัชญายานข้อยีสองเรียกพังคานุปรัชนายานให้พิจารณาความดับเฉยๆอย่างเดียวดูความดับอย่างเดียวว่าอะไรมันดับบ้างเข้ามาดูร่างกายของเรามันก็ดับแต่ละวันความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเป็นเด็กหรือความใบ้กลางคนมันก็ค่อยดับไปทุกวันวันเวลาผ่านไปชีวิตก็เคลื่อนไปแล้วกแก่ลงไปทุกวัน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 รวมความชีวิตมีการสืบเนื่องติดต่อกันมีการเกิดและการดับคู่กันไปกระทวงความชีวิตเราดับร่อยไปมันดับทุกวันก็ไปหาความแก่ในการเดินเข้าไปหาความแก่ก็หมายถึงการเดินเข้ไปหาความตายมันไม่มีสุขในเมื่อมันไม่มีความสุขเราก็ต้องไม่สนใจในชีวิตร่างกายต่อไปวันนี้เอาจะเพาะข้อกันนะ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 ตายแล้วปณิพันธ์อยากจะฟังไหมสิบบาทเดี๋ยว ก, ก่อนนะี้กินน้ำก่อนนะวันนี้เสิมหักมาก <c oughs> เรื่องราวทั้งโกรมรารพัชกมาอย่างนี้มีเวลาส6บหนาทีทันไม่ทันก็ไม่สัตว์เล่ามทันกันยอ่อๆนะเรื่องท่านยาวอยู่ท่าละเอียดคือท่านโกรมรารพัชต้องสาวไปถึงปาวารเจดี สบายที่พระเจ้าอยู่ปาวาลเจดีองค์สมเด็จจินสีทรงป่วยหนักพระพุทธเจ้าป่วยหนักป่วยมากจนทั้งไม่สามารถคิดว่าชีวิตเว่น่าจะทรงอยู่ได้ต่อมากลางเดือนสามองสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงปรงอายุสังขารคําว่าปรงอายุสังขารคือกําหนดเวลาตายตั้งตัดสินใจว่านับแต่ น, นี้ต่อไปอีกสามเดือน คือเป็นกลางเดือนหเราจะนิพพานระหว่างนางดังนัง่งโคโย่ยเมืองกุชินราหาคนครหลังจากนั้นองค์สมเด็จะจินวรก็ส่งเทศเฉพาะสินสมาธิปัญญาร่างกายสู้ฟินไปตามระดับชั้นก็ไม่ได้น้อยก็ไม่หลับก็เหมือนเหมือนกับเราเนี่ยร่างกายใช่ไหมแต่ว่าพระเจ้าคมมีพระันติมากสังขาวเปรีายายานทรงมากเหลือเกินแต่ใครไปหายก็เทศ ใครไปหาก็สงเคราะห์จะป่วยขนาดไหนก็สงเคราะห์ให้การป่วยพระพุทองค์เมีอการหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอาการาเจียนหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำไส้เอาเจ็บอย่างหนักระหว่างนั้นท่านโกมาราพัชไม่อยู่ต่อมาหลังจะกลางเดินแล้วทราโกมาราพัชกลับมาเห็นสมเด็จพระผู้มีพระผาคเจ้าอาการสู้ชีดมากก็เข้าไปถาม ว่ า, าการป่วยไปยังไงองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ท่งตอบท่านโกมารพัฒคิดว่าถ้าพระเจ้าตอบคําเดียวว่าอาการป่วยไปยังไงเราก็จะถวายยาเม็ดเดียวให้หายทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนนี้เก่งมากแต่ในเมื่อพระเจ้าไม่ตอบถามสามครั้งไม่ตอบเครื่องพระเจ้าเลยเขาได้แข่งสามครั้งแนละวเศร้าซีมากคนนั้นไม่ได้ต่อมาถ่านกระทำยาขึ้นเม็ดหนึ่งพรถวาย อันต่างใจคิดว่าถ้าพระเจ้าเสวยยาเม็ดนี้เราจะทราบทันทีว่าการนี่พระเจ้าป่วยเป็นโรคอะไรแล้วเราจะทำยายหนึ่งเม็ดถวายจะฉันจะหายทันทีเหมือนกันเอาไปถวายพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ทรงรับทรงความมือใส่นาใบบัคีนสามครั้งพระเจ้าไม่รับก็บัคคีนต่อไปไม่ได้ เลยนำยานี้ไปใส่ในบ่อน้ำว่าคิดว่าจะทําเพื่อพระเจ้าจะให้ใครกินนี่ไม่สมควรอขอเล่ารัดตัดต่อไปเวลามันจะไม่พอ <c oughs> หลังจากนั้นพระพเจ้ามามา่อถึงวันเวลาท่านโกมาพรพัทก็อยู่แต่ว่าสมเด็จพระบรมครูไม่ต้องการการรักษาหมอก็ไม่รู้ทํำยังไงท่กนโมาพระก็เสียใจเพราะท่านคิดว่าอย่างไงทราบไหม ท่านคิดไว้แต่ตอนต้นหลังจากองค์พบองค์สมเด็จพระทศพลฟังเท ศ, ศ, ศจบเดียวท่านเป็นพระโสดาบันท่านก็คิดว่าเราจะต้องตายก่อนร พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรงนี้ผ่านทีหลังถ้าพระเจ้ทาที่ผ่ยนก่อนเราเราไม่มีที่พึ่งเห็นไหมใหญ่พวกนี้มันคิดว่าฉันจะตายทีหลังมันเนี่ยไม่แน่ดีไม่ดีถ้าเปิยก่อนเอาว้แก่แล้ว รวมความว่าแทางคิดตามนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้มาถึงวาบาันเวลาวันขึ้นสิบี่ข้ามเดือนหกพระพุทธเจ้า ก, ก็ให้พนนระนนพเดียงพระสงงคำว่าพอเดียงขินิมนต์ประกาศประกาศพระสงฆ์ทราบว่าเราจะไปเมืองกุสินารามหานครใครจะไปบ้างต่างคนก็ต่างองค์ก็ต่างติดตามไปพระทั้งหมดเวลานั้นประมาณสองแสนองค์เตี เมื่อไปถึงกุศินราหมาในคอนแล้วก็พักบ้านในจุนในจุนถวายพระตาหารเช้าหลังจากนั้นพระเจ้าฉันพระตาหารเสร็จพระสันเสร็จเวลาก็ตอนเย็นก็ไปไปที่ระหว่านางรางคู่ก็มีวิหารอยู่หลังจากนั่นองค์สมเด็จพระรามคูก็นิพพานเล่ารัดลัดนะเรื่องนี้เล่าเม่อก่อนที่แล้วนะ เมื่อนิพานไปแล้วตอนนี้ธรรดาท่านพุทธบุตรสัตว์ท่านโกมารพัฒม์มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนสิ้นหวังเราเป็นคนไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเราต้องการจะเป็นเอาพระองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเป็นที่พึ่งแต่ว่าเวลานี้ที่พึ่งใหญ่ของเรานิพานไปแล้วเราก็หมดที่หวังท่านก็ตัดสินใจว่าท่านเองเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์ไม่มีสินในความจริงท่านเป็นเชื้อเจ้าทรวย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 เมือ่อเผาศพพระพุทธเจ้าเสร็จท่านโกรมรารพัยก็ออกออกไปไหนออกจากเมืองโกศินารามาแนคอน <c oughs> แต่ยัคิดว่าไปบ้านนะไม่ไปเข้าป่าเลยเข้าป่าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราร่างกายก็ไม่ใช่ของเราตอนนี้ไปขึ้นชื่อว่าคำว่ากินไม่มีในเราเห็นไหมเอาไหม ถ้ายังมีคําว่ากินอยู่หรือแม้จะดื่มน้ําเราก็ยังถือร่างกายเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ไม่ต้องปฏิบัติตามนะเคร่งเขินไปต้องเป็นคนมีบารมีเต็มตามนั้นจึงควรเอาค่อยค่อ ค, ค, คิดตามท่านแท่าคิดว่าหนึ่งทรัพย์สมบัติทั้งหลายในของเราไม่มีในเมื่อเราตายแล้วสมบัติไปตามเราไปด้วยตัวเององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ สมเด็จ พ, พระบรมครูพระสเด็จไปพักที่ไหนนี่เขาสร้างวิหารเป็นสิบๆโกดถวายราคาแพงแต่ว่าเวลานี้พระเจ้านิพันธ์วิหารทั้งหลายสมบัติทั้งหลายถวายถวายสงถวายพระองค์ก็ไม่ตามไปด้วยพระเจ้านิพันธ์แต่ผููเดียวแม้แต่ร่างกายพระเจ้าเองพระเจ้าก็ทิ้งซึ่งไม่มีความหมายนะพระองค์เราก็เช่นเดียวกัน ในเมื่อพระเจ้าไม่เกาะในสมบัติเราก็ไม่เกาะในสมบัติพระเจ้าจากบ้านเมืองมาไม่เกาะในบทปัญญาเราก็ไม่เกาะในบทปัญญาเหมือนกันโลภความวางใจหมดไม้แต่ร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราตัดสินใจเข้าป่าก็ตัดสินใจคือว่าขึ้นชื่อร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่เราจะนั้นคาว่ากินต้องไม่มีในเราทำไมไหมไหม ฉันไหวเวลาหลับฉัไม่กินอ่ะใช่หลงบอกไม่ไหวหลาหลับกินได้ไหมก็หลวงกล่ามว่าท่านก็ไปนอนในถ้ำเข้าป่าลึกเข้าใจว่าลึกแต่ไม่ลึกเกินคนเข้าไปอยู่ในถ้ำคนก็สืบสอะว่าเวลานี้ท่านโกมารวัลอยู่ที่ไหนใช่ไหม ไปหาที่บ้านไปหาที่วังไม่พบก็าถามวาท่านโกรมารพัฒน์ไหนต่างโกลต่างสืดได้ว่าท่านโกรมารพัฒน์อยู่ที่ถ้ำนี้ย่องเข้าไปหายาไปแจ้การโรคแจ้การปล่อยท่านก็จัดการให้แต่ในสุดท่านก็ําคาญคิดว่าเวลานี้เราตัดเ้งหมดคนจะมาโกรธเราหลังจากนั้นยังเข้าป่าลึกๆมากลึกที่ว่าคนเข้าไปไม่ถึง ไปเจอถ้ำแหงหนึ่งลึกมากเป็นกันใหญ่แล้วก็ลึกมากเข้าไปนอนในถ้ำก็ตัดสินใจคิดว่าเราจะนอนตรงนี้จะไม่ลุกจากที่นี้อีกจนกว่าจะสิ้นลมปราณเวลานั้นใจก็ตั้งอย่างดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเป็นของเราทรัพย์สมบัติเราไม่ถือว่าเป็นของเราเราทิ้งมาแล้ว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 ก็อย่าลืมนะถ้าถามว่าทําไมยึงทําได้อย่าลืมว่าท่านโกมารพัฒนเป็นปะโสดาบันเห็นไหมแลวการเียนสอนอยู่ใกล้สมเด็จพระพุทมีพระภาคเจ้าเวลานั้นพระดานก็มากเรื่องฌานสมาบัติเป็นของธรรมด า, <c oughs> าการที่ทรงอารมณ์อย่างนั้นได้ไม่จะทรงร่างกายไม่ไหวต้งตองทรงฌานจิตจ้งจเกาะฌานแปรอารมณ์คําว่าฌานไม่จําเป็นต้องนั่ง นอนคุมอารมณ์เป็นชาญอย่างนี้มันจะอยู่ตามพี่จิตบังคับคิดว่าเราจะไม่ยอมขยับมันก็จะอยู่แบบนั้นถ้ามันเมื่อยเราก็ไม่ยอมรับความเมื่อยเพรามันอาจิตไปจับภาพพระพุทธเจ้าบ้งางจับคำภาวนาบ้งางจับลมหัยใจเข้าออกบ้างมันก็จะคลายตัวในที่สุดท่านโกมาละพัตนอนนิ่งน่งจิตเป็นสุขมีอารมณ์สบายโปรเวลาแนงกะปลากฏมีแสงฟาแลบเกิดขึ้น สว่างมากและเสียงมันฟ้าผ่าเปรี้ยงดังทนานแล้วก็มีเสียงไปกว่าพระโกมรพัฒเธ อ, อเป็นสาวกองสมเดชทศมาพุทธเจ้าใช่ไหมท่านตอบไปใช่เสียงนั้นก็เงียบไปแล้วท่านก็ภาวนาท่านต่อไปพระเดี๋ยวอาการอย่างนั้นก็ปรากฏปรากฏอาการอย่างนั้นสามครั้งพอเสียงถามครั้งที่สามท่านบอกว่าหลังจากนั้นมาตอบว่าใช่แล้วก็หลับ แล้วผมก็เลยหลับไปเลยไม่ตื่นที่ว่าพามะผมนยเพราะว่าตำนานเล่มนี้ไปไปไ ป, ไปดูไม่ทราบว่าใครเขียนไม่ทราบว่าใครเขียนเอาไว้ได้ฉันก็เลยสงสัยว่าเรื่องราวทศกุมพัฒมีความจริงไหมเราก็ไม่ต้องไม่ต้องโกฟะต้องไม่กอกปาทานใช่ไหมในเมื่อไม่โกปาทานก็ไปหาพระก็อยากจะพบทโกมารพัฒ ก็ปรากฏว่าท่านโกมาพัฒมาในภาพพ ร, ระอรหันต์ที่นิพพานแล้วก็ไปถามท่านตามความเป็นจริงว่าเรื่องราวที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยจริงไหมแต่เมื่อกี้นี่พูดย่อ ى, นะท่านก็เลยบอกว่าที่ท่านรู้มายังย่อไปหน่อยเลยท่านขยายความไม่ฟังก็ไม่มีอะไรมากเช่นความอันเดียวกันท่านยอมรับไปจริงก็เลยถามนึกว่าเสียงที่ปรากฏว่าเป็นเสียงฟ้าแสงแสงฟ้าแลกหรืหรอเสียงฟ้าผ่า เป็นเสียงอะไรท่านก็บอกว่าเป็นเสียงพุทธบารมีแต่เสียงที่ถามว่าโกมาระพัทเธอเป็นสาวว่าเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมถามเสียงใครถ้าบอกจําเสียงได้ก็เสียงนั้นคือเป็นเสียงพระพุทธเจ้าเพราะเคยได้ยินปกติใช่ไหมถ้าอยู่ด้วยกันถ้านยินเสียงนั้นความชุ่มชื่นก็เกิดพอได้ยินเสียงนั้นแล้วก็มีการตัดสินใจคิดว่าขึ้นจะร่างกายเราขอเลิกกันธรรมนิที พอมีความมั่นใจว่าเลิกก็เริ่มจิตเป็นสุขแสงสว่างก็เกิดเรื่อแสงสว่ า, สงวางเกิดมากเกิดส่งตัวเวลานิจิตก็เคลื่อนออกจิตเคลื่อนออกไม่หมายว่าเป็นัวงนะเป็นตัวออกจากร่างกายก็ปรากฏพบพระอริยเจ้ามากพาไปนิพพานเห็นไหมกือรวมก ว, ว่าการตัดสินใจของบรรดาท่านพุทธับริษัทที่เรียก เป็นยานที่สองในพะังคันวินายานพิจณายเห็นเฉพาะความดับก็ต้องพิจนายาอย่านโกมารพัฒคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดับทั้งหมดในโลกนั่นวจ้าพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างว่าแม่พระพุทธเจ้าเองทรงเป็นอาชาติยะมนุษย์เป็นมนุษย์พระเสร์สุดสุดกับเทวดากับมนุษย์เทวดารืผม ม น, มนุสเซโล่ก็ดีเทวโลกก็ดีพเมโล่ก็ดีใครจะไปเสริอท้าพระเจ้าไม่มีก็ยังดับเพราะนั้นท่านก็นคิดว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายเราก็ต้องดับจากมันไม่งั้นมันก็ดับจากเราถ้ามีมากมันก็ไม่ดับก่อนเราก็ต้องดับคือเราตายพันปุตปัญญาสามีก็ตามทั้งหมดต่างคนต้องต่างจากกันฉะนั้นการเกิดเป็นทุกอย่างนี้การเกาะในชีวิตเป็นทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมอีกขึ้นชีวโลกนี้ทั้งหมด เราไม่ต้องการสิ่งที่เราต้องการก็คือการไม่เกิดต่อไปนั่นคือแดนนิพันธ์เพื่อตตัดสินใจอย่างนี้ในบรรดาญาโยมพุทธบริ ษ, ษัททุกท่านก็ถือว่าทุกคนเข้าถึงความดับตัวตัดคื อ, อ, อคือพังคานิปสนาญาณถือความดับอย่างเดียวแต่ก็อยลืมจะเคร่งเครียดมากเกินไปนะ โดยมากพอจะเห็นการเจริญพัฒนาอย่างเครียดมากเกินไปหยิบเรื่องธรรมดาหยิบนี่ธรรมดาอย่างเกินพอดีอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเองก็ทํางานเองทุกอย่างฉันปตาหารพระเจ้าก็ล้างชามล้างบาตรเองไม่มีพระทุกองค์เหมนกันพระนั่นนะกลมความไม่เจริญพัฒนาอยางก็ตามสมบัติก็ตามรักษาสิ่ก็ตามทําตามแบบปกติให้เจอญอยู่ที่ใจ แต่เจอมิจฉาญาณยันคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไป็นขอเราเราเลิกทำก็ไม่ถูกในเมื่อเรายันทำมาให้ ก, กินอยู่จำประกอบอาชีพตามปกติอรรถบรรดา ญ, ญาโจมพุทธบริษัทเวลาหมดพอดีตอนนี้ไปอุณบรรดา ญ, ญาโจรพุทธบริษัทหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานแ